อาต่อไปนี้ของคุณลุงบุญมีทำใจให้สบายๆนะคะครับตัดสินใจตามที่แนะนำนะคะ ค, ค, ความชัดเจนแจ่นใสขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณลุงเองนะคะเับเวลา น, นี้ขอคุณลุงตั้งใจคิดว่านัดเต็มบัตรนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ยอมละเมิดสินห้าข้อโดยเด็ดขาด นอกจากไม่ละเมิดด้วยตนเองจะไม่ยุยงส่งเสริมให้คนอื่นละเมิดศีลจะไม่ดีใจเมื่อเห็นคนอื่นเขาละเมิดศีลแล้วและตั้งใจคิดว่าการเกิดนี่มันเป็นทุกข์จะเป็นคนก็มีความทุกข์ชาตินี้เห็นตัวอย่างแล้วใช่ไหมคะาการเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมมันก็เป็นความสุขชั่วคราวตัดสินใจไปพระนิพพานคิดว่าการเกิดชาตินี้เราถือว่าเป็นครั้งสุดท้าย ถ้าชีวิตทรงอยู่เราจะดูแลมันไปตามอัตภาพเพื่อรักสะาเพื่อเอาร่างกายนี้ทำความดีต่อไปแต่ใจคิดไว้เสมอว่าตายเมื่อไรขอไปพรนิพพานทันทีตัดสินใจได้ใช่ไหมคะได้แล้วครับตั้งใจขอรัตนาบรรีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอพระพุทธองค์ได้ทรงโปรดสงคเคราะห์เสด็จมาเป็นที่พึ่งของข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิด ร้อยข้พระพุทธเจ้ามีอารมณ์ปิดของใสสา ม, มารถเห็นพระรูปกระโชมของพระองค์ได้สว่างสวยตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าค่ะเวลานี้เห็นพระพุทธเจ้าอย่างคะเห็นแล้วครับในคุณลุงบนมีลองบอกสิครับพระพุทธเจ้าที่คุณลุงเห็นมีลักษณะเป็นยังไงคะมีลักษณะเป็นเทวดาครับแต่งองค์แบบเทวดานะคะครับ แล้วก็บรรยายได้ไหมคะท่านใส่รองเท้าหรือเปล่าใส่รองเท้าแล้วก็สวมสังวานะนะฮะคร บ, ครบเลยครับครบนะคะรองเท้าท่านทําด้วยอะไรนะคะทำด้วยแกว้วครับแกว้วมีลักษณะเหมือนรองเท้าคนไหมไม่เหมือนครับเป็นยังไงคะไปรองเท้างอนขึ้นมาแล้วก็ท่านนุงผ้า ย, ยางังไงคะนงผ้าจงกระเบนจงกระเบนนะคะเป็นผ้าหรือว่าไม่ใช่ผ้า เป็นแก้วครับเป็นแก้วนะคะสวยมากนะคะสวยครับด oui ูต่อไปถ้ามีเครื่องประดับอะไรอีกมั้งถ้ามีเข็มขัดไหมคะมีครับหัวเข็มขัดประดับโดยเพชรเลยครับแล้วก็เครื่องประดับที <Man> ่หน้าอกมีอะไรบ้างนะคะมีเพชรทั้งนั้นเลยแล้วก็มีสังหวานมีสังวานพระตาซ้ายพาดขวาตรงกลางมีเครื่องประดับตรงกลางมีมีสร้อยสังหวานเพชร อันโตโตนะคะครับตัวท่านใส่เสื้อแขนยาวหรือแขนสั้นคะแขนยาวครับถูกต้องแล้วนะคะเสื้อท่านทําด้วยอะไรคะทําได้วเพชรครับทำด้เพชรแว๊บับมีรูดลายครับเมีครับสวยนะคะสวยมากเลยครับสวยมากนะคะแล้วก็ดูบนไหลท่านมีเครื่องประดับอีกไหมมีครับลักษณะมีอินทรนงอนสองข้างอนจนนะคะดูพระพักคือใบหน้าท่านใช่คะ ใบหน้าสวยจริงๆเลยครับดูปากปากท่านก็เย้ยเย้ ม, ยมเรียกแย้มพระโอสถนะค ะ, คะพระพุทธเจ้าทรงแย้มพระโอส์ว่าแสดงว่าพระองค์ให้พรให้คุณลุงมีความปรารถนาสมหวังนะคะคะขอพรขอพรท่านขออะไรดีคะขอพระนิพพานครับไปพระนิพพานชาตินี้นะคะครับและดูจมูกดูตาท่านก็ทั้งสวยสวยครับ นชีวิตคือวานะแม่ผมเกิดมาในชีวิตนี้ไม่เคยเห็นเลยครับะะเพิ่งจะเห็นบรรยายไม่ถูกนะคะที่เขาสร้า ง, ส ร, างาสร้างพระพุทธรูปแทนพระพุทธเจ้าเป็นไงความสวยงามกับองค์จรเป็นไงเียบเทียบกันได้ไหม เทียบไม่ได้ครับองจริงสวยกว่าสวยมากนะคะคเนื้อท่านเป็นไงก็ดูเนื้อท่านแมเือน่าสีทองใสเลยใสนะแก้วใสนะคะคสีทองนั่นเป็นเพราะพื้นผ้าท่านสีอะไรสีขาวครับสีขาวนะสีทองนี่มาจากไหนดีดิมาจากรักษามฆครับรักษมีนะถูกต้องเป็นเนื้อท่านจริงๆอะเป็นอะไรแม่ เป็นแก้วครับแก้วถูกต้องน่าใสนะค ะ, คะ น, น, น, นี้ของพระองค์สว่างเห็นไหคะอขอดูพระองค์เวลาท่านเปล่งฉับพันธังสีสีนรัลักษณะจะเป็นยังไงโอ้โหประกายแวบเลยครับนะคะมีหลาสีนะคะมีหลายสีะ ค, ะยสครับสวยมากนะคะทั้งนี้และมงกุฎพระองค์มีลักษณะเป็นไงคะเป็นเป็นแก้วครับประดับเพชรทั้งนั้นเลยฮ สวดทรงเป็นไงสวดทรงสวยครับสดายอดแหลมนะคะครับอย่างนี้เป็นพระรูปพระโฉมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามความเป็นจริงที่คุณลุงเห็นนะคะครับบางครั้งถ้าเราเห็นเป็นพระพุทธรูปหรือเป็นพระสงฆ์นั่นเป็นเพราะว่าท่านแสดงให้เราเห็นอย่างนั้นเพราะว่าในเมืองมนุษย์เนี่ยเขปั้นพระพุทธรูปแทนพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะครับแต่พระพุทธองค์จริงๆนีะทรงเครื่องอย่างที่คุณลุงเห็นเนี่ยถูกต้องแล้วนะคะ เรียกว่าภาพพานิพพานนะคะกราบนรัมศ ก, การสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใกล้ๆพระบาทพร้อมกับนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณว่าอาศัยคำสอนของพระพุทธองค์ทำให้ข้าพระพุทธเจ้ารู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์นะคะครับกรกลาบนรัมศการท่าน ว่าวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอท่องเที่ยวตามพบต่างๆร้อมกับการฝึกอ ร, ริชาตไปด้วยอันนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายขอองค์สมเด็จพระจอมไตรได้ทรงโปรดทรงเคาะให้ข้าพระพุทธเจ้ารู้และเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกต้องตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าค่ะให้พร น, นะคะให้ครับท่านทาไงคะยกมือครับยกมือนะคะก็กราบนมัสการท่านนอกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ตามความรู้สึกเวลานี้คุณลุงรู้สึกว่ามีใครมาอยู่ใกล้ๆคุณลุงอีกไหมคะท่านท่านปู่อ่าท่านปู่แล้วก็ท่านพ่อท่านพ่อคือใครคะหลวงพ่อใช่ไหมใช่ครับอ่าเป็นให้หลวงพ่อแต่งองค์ยังไงไวนี้แต่งองค์เทวดาครับเลยคะสวยไหมครสวยครับหนุ่มหรือแก่หนุ่มหนุ่มนะคะอ่ายิ้มไหมะยิ้มครับเข้าไปกราบท่านปผมเข้าไปกราบกราบแล้วท่านโลก โลปไหลผมลงมาหลังครับท่านดีใจไหมคะดีใจท่านยิมย้มยิ้มอ่าเอ อ, อท่านปลูกพะอินใช่ไหมคะ ใช่ครับใช่แล้วคะและท่านย่ามาด้วยป่ะคะมาครับก็ไปกราบท่านทีเท้าเลยนะคะค่ะดีใจไหมคะดีใจครับวันนี้ขอท่านปู่ท่านย่าช่วยนะคะขอให้คุณลุงรู้แลเห็นทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกต้องแจ่มใสตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ต่อคนอื่นต่อไปนะคะค่ะและดูสิคะนอกจากหลวงพ่อนอกจากท่านปู่ท่านย่าแล้วมีใครมาอีกไหมมีครับใครจะ้ะท่านแม่ก้าวเท่าท่านแม่ทรงก็นามว่าใครไรคะ สีครับท่านแม่สีนะคะกราบพุทาวถ่ า, านเออวันนี้ท่านแม่สีแต่งชุดสีอะไรคะสีขาวครับพุทธรสวยไหมโอ้โหสวยจริงๆเลยท่านแสดงรูปเป็นแบบผู้หญิงหรือเป็นภาพพระนิพพานภาพพระนิพพานครับภาพพระนิพพานก็แต่งตัวเหมือนหลวงพ่อสิใช่ไหมคะใช่ครับใช่นะคะสวยมากนะคะ<ฮ>นอกจากหลวงพ่อนอกจากท่านแม่สีท่านปู่ท่านย่ายแล้วคุณดูงดูรอบๆสิคะมีใครมาอีกไหมคะไม่ครับ มีเทวดาอีกอยอยเยอะแยะเทวดาเทวดานะคะใ่ไหม ค, ะ, คะเทวดาที่มาทั้งหมดนั่นน่ะตามความรู้สึกกุลุงว่าท่านเคยเป็นญาติแกกุลงุงไหมคะเคยครับเป็นอะไรคะเป็นบิดามารดาเป็นบิดามารดาเป็นผู้มีเพื่อคุณนะคะเราไม่ได้เกิดเป็นชาตเดียวนี่แหคะค่ะเวลานี้ ท่านอยู่สวรรค์บ้างอยู่ปรุมบ้างอย่างนิพพานบ้างนะคะตอนนี้คุณลุงเห็นตัวคุณลุงเองไหมคะแหนครับ น, ะะนึกให่อภิสัมมารอรกายของคุณลุงมีจํานวนมากเท่ากับท่านพ่อท่านแม่ผู้มีพระคุณที่มาวันนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็กราบท่านบุญปักษ์ทำได้ไหมคะได้ครับเห็นตัวคุณลุงแยกออกไปไหมเห็นครับกราบพร้อมกันนะคะคต่อไปขอบา ร, รมีสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นประธาน ขอท่านปู่ท่านย่าท่านเป็นประธานขอท่านพ่อท่านแม่ทั้งหมดท่านได้โปรดจงเพลพาคุณลุงไปพระจุลามุนีเจดีสถานถึงอย่างไรครับกลับแล้ ว, ถ, ลวถึงแล้วครับแล้วเวลานี้ ค, คุณลุงอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในพระจุลามุนีอยู่ที่พระบาทของพระพุทธเจ้าจเข้าไปข้างในเลยใช่ไหมคะครั บ, รบพระพุทธเจ้าที่คุณลุงเห็นเวลานี้เป็นอย่างรับแลเปไ็นองไรสวยครับ แต่เครื่องขาวเช่นเดียวกันมีแท่นนั่งไหมคะมีครับปราบนมันสการท่านแล้วใช่ไหมคะกราบแล้วครับภายในพระจุลมณีเนี่ยกว้างไหมคะกว้างครับกว้างนะวสวยไหมสวยมากครับนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วมีใครอยู่ยบ้างไหมคะมีครับใครครับมีเทวดาอีกเช่นเดียวกันรอบอยู่รวมมือไหม ไม่ครับป่๊าพระพุทธเจ้าอยู่ใช่ไหมคะครับปริมาณมากนะมากครับเวราณนี้เมื่อกราบพระพุทธเจ้าแล้วนึกให้กายของคุณลุงที่นั่นมีจํานวนมากเท่ากับลมกับพระอับเทวดานะคะที่ป่๊าพระพุทธเจ้าอยู่แล้วกราบท่านบนฝั่ทําแล้วใช่ไหมคะทําแล้วออครับเออพท่านแม่มาด้วยเปล่าคะมาครับมาด้วยท่านเราไปไหนท่านไปด้วยนะคะครับเวลา น, นี้ขอบา ร, รมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วย ตั้งใจคิดว่าข้าพระพุทธเจ้ามองเห็นแล้วว่าโลกนั้นมันเป็นทุกข์นะคะการเกิดเป็นลมเป็นเทวดาข่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องการข่าพระพุทธเจ้าขอไปพระนิพพานธาตุในอย่างเดียวขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยทรงโปรดทรงคร้อให้เป็นไปตามนั้นด้วยเถิดพระพุทธเจ้าพาขอผ่อนท่านนะคะครับต่อไป ออกมาข้างนอกพระจุลามณีสี่ข้าดูรูปร่างข้างนอกกราบแม่สการลาท่านก่อนกราบพระก่อนมาดูรอบๆพอท่านพ่อท่านแม่พามาดูพระจุลามณีที่กุลุงเห็นลักษณะเป็นยังไงรูปร่างโอ้ลักษณะมันมีทางเดินรอบเลยครับรอบแล้วก็เี่ยพระจุลามณีลักษณะมี ยอดแหลมอยู่กลางยอดแนะคะยอดแหลมออกมาขนอกแหลมใช่ไหมคะยอดแหลมสวดตรงสูงไหมสูงหลังกลางสูงครับแล้วก็รอบๆมีอีกหลายหลังครับเล็กๆๆอ่ะคะหลังกลางรูปร่างเป็นไงลักษณะรูปอะไรคล้ายประสาทครับประสาทยอดแหลมประสาทเรื่องอะไรดูข้างล่างเป็นกลมไหมกลมครับเป็นอะไรคะเป็นอะไรแน่ประสาทเป็น อ๋อข้างล่างเป็นแท่นครับเป็นแทน่นเป็นฐานเหรอคะครับเป็นฐานทุกอย่างใครจะดีหรืเปล่าคล้ายๆ ค, ครับเป็ครจะดีนะคะครับทําด้วยอะไรคะทำด้วยแกว้วครับแกว้วขอพระพุทธเจ้าช่วยแกว้วสีเดียวหรือหลายสีหลายเสกครับหลายสีสูงนะครับขอเห็นเต็มที่เลยพระจุลามุนีสวยสดงดงามขนาดไหนขอพระรมมีพระพุทธเจ้าช่วยเห็นภาพตามความเป็นจริงเชียค่ะสวยมากครับ มากะคะ่ะพระจุลามณีก็คือเจอดีข้างในเมื่อพี่เราไปมาแล้วใช่ไหมคะครับรอบๆมีลาน ก, กว้างๆไหมกว้างครับเนี่ยพรมเทวดาก็มานมาสการพระพุทธเจ้าทำทักษิณาวัดที่นี่นะคะคแล้วรอบๆมีเจดีเล็กๆอีกไหมมีครับ ม, <ค>มีรอ บ, รอบเลยะะเอาล่ะเวลานี้คุณลุงอยู่ที่พระจุลามณีซึ่งตั้งอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดินนะคะขอให้เข้าใจว่า กิเลสที่เกาะใจของคุณลุงนะ่ยมันบางไปมากแล้วนะคะเราจรึงได้มาถึงสวรรค์ได้นะคะค่ะเอาลราขอท่านพ่อท่านแม่ท่านพาคุณลุงไปที่บรรดุกำปูศิลาอัดอยู่ใกล้ๆกันถึงอย่างคะ่ะถึงแล้วครับตอนนี้มากราบท่านผู้มีพระคุณนะค ะ, คะบรรดุกำปูศิลาอาดเป็นแท่นที่ประทับของใครคะของพระพุทธเจ้าครับพระพุทธเจ้าหรือใครเขา้าไปใกล้ๆที่คุณลุงจะเห็นหรือยังเมื่อเชง ใครคะอ๋อของพระอินอ่าพระอินคือเรียกท่านอะไรนะท่านปู่ค่ท่านโปครับกลาบที่เท้าท่านไงแต่งตัวสวยมากใช่ไหมสวยครับเห็นเป็นพระพุทธเจ้าเลยหนุ่มหรือแก่หนุ่มครับปราบนสักท่านเลยค่ะท่านแต่งชุดสีอะไรคะวันนี้ท่านปู่อ๋อ วันนี้สีขาวครับสีขาวนะคะเป็นประกายแก้วประกายประกายแก้วครับแล้วท่านย่าล่ะคะท่านย่าก็เช่นเดียวกันนะกราบพี่เท้าท่านเลยแค่กราบบนศักราวริแก่ท่านยา่าโอ้ยสาวครับสวยไหมคะสวยมากครับแต่ท่านลูกหัวผมแล้วก็หมาที่หลังจับแขนลูกแขนสองข้าง ดีใจนะคะดีใจมากครับมากนะคะท่านปู่ท่านย่าท่านเป็นผู้ใหญ่ขอบารมีท่านช่วยเป็นประธานนะคะให้การรู้การเห็นวันนี้ได้ชัดเจนและถูกต้องนะคะค่ะขอท่านปู่ท่านได้โปรดประกาศเชิญท่านที่เคยเป็นบิดามารดาและผู้มีพระคุณของคุณลุงมาก่อนนะคะที่อยู่สวรรค์กัปโรมโลกค้ อ, อนเชิญเข้ามาประชุมที่นี่ มาแล้วครับมาแล้วครับเยอะไหมคะโอ้โหเยอะจังเลยขอท่านแม่อยู่กลุ่มท่านพ่ออยู่กลุ่มหนึ่งท่านผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์้อยู่กลุ่มความรู้สึกเราเป็นทริปจะบอกได้ว่ามีปริมาณเท่าไหร่โอ้โหเยอะจริงๆครับหลายแสนครับนึกให้กายของคุณลุงมีจํานวนเท่ากับท่านพ่อท่านแม่ผู้มีพระคุณที่มาทั้งหมดแล้วกราบท่านบนสัก ได้แล้วครับหลวงพอ่อสอนว่าความกตัญญูจะช่วยเราไปพรนิพพานได้เลย น, นะคะเราขึ้นมาแล้วก็ต้องมากราบท่านแบบนี้ซึ้นชื่อว่าพ่อแม่ท่านไม่ทิ้งลูกท่านคอยดูเราอยู่ตลอดเวลานะคะให <ฮะ S 2> ้เรานึกถึงท่านก็นแล้วกัน <ฮะ S 2> กราบท่านแล้วต่อไปขอบารมีสมเด็จเระาสมมา ส, สมพุทธเจ้าเป็นประธานคขอท่านปู่ท่านย่าช่วยกขอท่านพ่อท่านแม่ช่วยกราบลาท่านนะคะขอพาไปพระนิพพาน ไปวิมานสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันแล้วอยู่ข้างนอกก่อนถึงแล้วใช่ไหมคะถึงแล้วครับดูที่วิมานพระพุทธเจ้ามีลักษณะเป็นยังไงคะโอ้โหสวยจริงๆเลยครับเป็นโมกรอบแล้วกนเป็นยอดแหลมอยู่กลางสามหลังเลยครับเป็นประกายแก้วเลยครับสวยมากใช่ไหมคะใหญ่ใหญ่ครับ อันนี้เขาเรียกมณฑกหรือประสาทก็ได้นะคะปราสาทนะคะท่านพ่อท่านแม่มาด้วยเปล่าคะมาครับมาด้วยนะขอท่านพ่อท่านแม่ท่านพาเข้าไปเฝ้าเฉพาะพระพักสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหมคได้ครับเลานี้เห็นพระพุทธเจ้าเป็นยังไงคะสวยครับแม่เป็นโลกเทวดาสวยมากที่สุดเลยภาพหน้ารู้ไหมค่ะ นั่งครับนั่งครับนั่งท่าไหนนะคะนั่งห้อยขาบ้อยกระบนะคะกราบธรัรรรมสถา ร, รทั้งใกล้ๆกระบะนะคะคือองค์เดียวกับที่เราเห็นเมื่อกี้หรือเปล่าคะใช่ครับสมเด็จองคปัจจุบันนะคะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันซึ่งทรงพระนามว่าสมเด็จพระสัมณโคดมนะคะแต่ว่าเราไม่นิยมเรียกชื่อเพราะถือเป็นการไม่เคารพนะคะเราเรียกว่าสมเด็จองคปัจจุบันซึ่งเรากําลังอาศัยคําสอนของพระพุทธองค์อยู่เวลา ใช่ไหมคะใช่ครับความรู้ที่คุณลุงศึกษาอยู่เวลานี้เป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าท่านนะคะก็กลาบนมัดการกรับแล้วครับในวิมานพระพุทธเจ้านอกจากพระพุทธเจ้าแล้วดูสิข้ารอบๆแล้วดูด้านหลังออกไปมีใครอยู่อีกบ้างไหมครับไม่ครับเยอะไหมคะเยอะครับมีเทวดาอยู่รอบเลยเ ป, เป็นเทวดาหรือว่าเป็นใครเป็นเป็นเทวดาอยู่ที่คนิพานเขาเรียก อ, อะไรนะ เขอเีท่านว่าอะไรแต่งตัวเหมือนเทวดาใช่ไ้ยใช่แต่งตัวเหมือนเทวดาท่านไม่ใช่เทวดาท่านมีความบริสุทธิ์กว่าสวยมานใช่ไหมคะ ท่านเป็นใครคะเป็นพระอรหันต์ครับาถูกต้องนะคะเป็นพระอรหันต์นะคะท่านอยู่พระนิพพานแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะผู้บริสุทธิ์ท่านนั่งเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่เวลานี้คุณลุงเห็นเห็นตัวของคุณลุงเองไหมคะอาตสมาลกายคุณลุงเห็นครับแต่งตัวเป็นไงคะแต่งตัวเป็นเทวดาเช่นเดียวกันนะคะนึกให้กายของคุณลุงที่น่ามีจํานวนมากเท่ากับพระอรหันต์ทั้งหมดแล้วก็กราบท่านบนตัก ได้นะคะได้ครับคุณลุงเห็นพระโมกขลราภาษาลาิบุตรไหมคะเหนครับท่านอยู่ตรงไหนครัพระโมกขาลราอยู่ทางซ้ายมือผมนะพระสารีบุตรอยู่ทางขวามือผมเข้าไปกราบในัฏจัการครับกราบเป็นศิชาพระโมกขาลราท่านเป็นผู้เลิศดุลิบ น, น, นะคะท่านพรท่านช่วย ให้อานาจมโนวิถีของกุลุงมีความผ่องใสนะคะมีความคล่องตัวดีจะได้ช่วยให้คนอื่นก็มีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาตามความเป็นจริงนะคะครับวันนี้ใสมากครับใสไม่เหมือนกับเดือนหนายวันเพ็ญเลยครับกุลุงก็จําอารมณ์น้ไว้นะคะว่ากุลุงตัดสินใจยังไงจึงได้มีความผ่องใสในขนาดนี้นะคะจําได้ใช่ไหมคะได้ครับได้นะคะ ออแล้วก็ภาษารีบุตรเข้าไปกราบท่านที่พระบาททีพเกนะคะแล้วก็กราบอุลสงตาท่านเป็นผู้เลือนไปปัญญาขอพรท่านนะคะข อ, ขอให้เกล้ามองั่นมีปัญญาเถียแรแปลงนะคะสามารถที่จะอธิบายธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ถูกต้องตามที่พระองค์สอนเอาไว้ทุกประการขอพรท่านช่วยครับแล้วครับดีใจนะคะครับ<อ> นายคุณลุงลงบอกสิเขาว่าก่อนที่คุณลุงจะขึ้นมาพระ น, นิพพานเคุณลุงตัดสินใจยังไงครัผอมตัดสินใจของผมหนาะผอมสละทั้งสิ้นสละแม้แต่โลกเมียทั้งหมดโลกผมไม่มีเมียผมไม่มีผมตัวคนเดียวตัดสินผมยกให้เขาทั้งหม ด, มดผมไม่เอาเลยลผมไ ม, ไม่ห่วงเลยผมยอมยอมตายทุกระยะวินาทีเลยครับ การตัดสินใจอย่างนี้ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการนะคะครับค<ะ>ุณลุงตัดสินใจอย่างนี้จึงทําให้มีความโปงใสเหมือนกับวันเพ็ญนัเหมือนกับความวันเลยนะคะครับ<ะ>ก็กราบนรมาสการท่านนะคะท่านพ่อท่านแม่อยู่ด้วยใช่ไหมคะอยู่ครับอยู่ด้วยนะขอบา ร, รมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วย ว่าการที่ค่าพระพุทธเจ้าฝึกวิชามโนยิทิเพียงครั้งแรกก็สามารถทำได้และมีอารมณ์แจมใจเป็นพิเศษอย่างนี้เป็นเพราะว่าค่าพระพุทธเจ้าเคยฝึกวิชานี้ได้มาในการก่อนกี่ชาติแล้วขอองค์สมเด็จพระสัิตแก้วได้โปรดให้เห็นภาพตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้า่าหลายชาติครับมีมากหมล่ะคะมากครับคุณลุงนับท้วนหมออ นับได้นะนับไม่ได้เลยนับไม่ได้เลยนั่นเป็นจำนวนชาติเป็นภาพตัวของคุณลุงเองใช่ไหมคะครับมีจำนวนชาตินับไม่ถ้วนที่เคยฝึกอย่างนี้ได้ครับความรู้สึกเราเป็นทิศจะบอกได้วันหน่วยเป็นหมื่นหรือเป็นแสนหรือหลายแสนชาติใจรู้สึกยังไงตอบเลย โอ้รู้สึกดีใจมากเลยผมแค่จํ า, วาจนว น, นะค่ะิโอจํานวนมากเลยเกินน่ะเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนไปเลยะเป็นหลายแสนชาตินะคะคอันนี้ก็ให้เข้าใจว่าเป็นของเก่าคุณลุงเองนะคะเราเคยทําได้มาแล้วชาตินี้พอทําผลเดียวก็ได้เลยใช่ไหมคะและประกอบการตัดสินใจของคุณลุงถูกต้องเวลานี้คุณลุงอยู่ที่พันิพานนะคะค ข, ขอได้โปรดเข้าใจว่าแม้แต่ละองศิเล็กมันก็ไม่สามารถจะเกาะใจของคุณลุงได้เลยนะคะ คือลุงจิงได้มาที่พระนิพพานได้นะคะเพราะดูตัวลุงสวยใช่ไหมคะอาศัยไม่เหมือนเดิมนั่นเป็นอธิสมานกายที่อาศัยอยู่ในใจนี้พร้างานะคะก็กราบนมัสการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบารมีพระพุทธองค์ได้ทรงโปรดทรงเคาะพาค้าพระพุทธเจ้าไปที่วิมานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อื่นนะคะไปวิมานของสมเด็จพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระนามว่าสมเด็จพระพุทธกับนะคะ ข อ, อท่านพ่อท่านแม่พาไปนะคะอ่าถึงอย่งคะ่ะถึงแล้วครับดูวิมานท่านสิคะสมเด็จพระพุทธศาสน า, า, า, าสวยเหมือนกันเลยครับเรายังไม่เคยมาเลยใช่ไหมคะไม่ครับยังไม่เคยมาวิมานท่านเป็นอะไรทำด้วยอะไรคะ ทำด้วยแก้วครับแก้วสีอะไรคะโอ้โหสีขาวครับสีขาวนะคะเขาทอดท่านแม่มาด้วยเปล่าคะมาครับมาเข้าไปเข้าไปข้างในขอท่านพาเข้าไปข้างในไปเฝ้าพระพุทธเจ้าข้างในเข้าไปแล้วครับเป็นองค์ท่านไหมคะเห็นครับพระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งหรือไม่ดีนั่งครับนั่งนะคะเข้าไปกราบใกล้ๆพระบาทองค์พระพุทธเจ้าท่านเป็นไงครับเวลานี้ทรงเส้นเครื่องขาวครับเครื่องขาวนะคะครับ แต่งองค์แบบไหนภาพพนิพพานภาพนิพานประดับเพชรหมดครับประดับเพชรหมดเลยนะคะครับกลับท่านไ้ยังคะกลับแล้วครับตามความรู้สึกของใจว่าคุณลุงเคยเกิดเป็นญาติกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้บ้างไหมคะเคยครับเคยนะคะครับรู้สึกว่าเคยเกิดเป็นอะไรกันคะเคยเกิดเป็นเป็นบุตร เป็ลูกอะคะคืะอเป็นหลานบ้างไหมเป็นเป็นนะคะอดีใจนะคะดีใจค่ะดีใจนะคะกราบนมันสการพระพุทธองค์คุณลุงดูด้านความของพระบาทของพระพุทธองค์สิคะมีอะไรอยู่บ้างไหมมีอะไรตั้ ง, งมีครับมีอะไรครัโอ้แท่นเล็กๆเครื่องอันอนี้ไหมคะมีครับ มีใครนั่งอยู่หรือเปล่าเมย์คราบท่านพี่ใครนะโอ้ท่านปู่ปู่ใชท่านยิ้มหรเป่ายาิ้มครับที่นั่งอยู่บนแท่นท่นู่เนไครับตาบนปักเลยเคยเห็นหน้าเราบ้างไหมครับไม่เคยเห็ น, นครับ ค, ความรู้สึกว่าเคยเป็นญาติกันหรืว เคยครับ <C> e <ir> ดูให้ดีสิครับโอ้ไทแน่ฮะไทยอินครับไทยอิ น, นันนั่ปะครับแล้วหลวงพอ่อเรามาอยู่เลยนะอยู่ครับแล้วหลวงพ่ออยู่ตรงไหนคะอยู่ซ้ายทางด้านซ้ายมือของผมครับอ๋อแล้วใครที่อยู่บนแท่นอะใครพระพุทธเจ้า <c oughs> ไม่ใช่แท่นกลางแท่นทางขวาพระพระบาทเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าออ๋อ สมเด็จย่าครับท่านย่าย่ด้วยเหรอฮะที่อยู่บนแท่นจริงๆอ่ะดูซิแท่นมันเป็นแท่านเล็กๆหน่อยนะคะ<อ>ใช่หลวงพ่อหอเปลาใช่ครับใช่ครับที่แต่งตัวเหมือนกันจะจำไม่ได้อ๋อจำยากจริงๆหน่าเหมือนกันหมดเลยครับหน้าเหมือนกันหมดเลยครับคือท่านปู่ท่านย่าก็มาด้วยนะคะครับอ่าบนแท่นมีหลวงพ่ออยู่นะคะครับ หลวงพ่อท่านเคยสร้างแท่นอันเนี้ยนะคะร่วมกับพระพุทธศาสนาท่านขึ้นมาข้างบนหลวงพ่อก็เลยมีแท่นประจําของท่านอยู่ที่นี่แต่เวลานี้ท่านปู่ท่านย่าท่านก็อยู่ด้วยใช่ไหมคะอยู่ครับท่านแท้ท่านแม่ก็อยู่ด้วยนะคะครับท่านคุณลวงเห็นพระในวิมานพระพุทธศาสนบ้างไหมคะ มีไหมครับมีครับพระพุทธรูปใช่ไหมครับรพุทธรูปนะคะครับมันเป็นพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆนะคะพระอรหันต์มีไหมมีครับมีเยอะไหมคะมียะมเยอะหมือนกันะนะเห็นพระพุทธรูปก็คือแทนพระพุทธเจ้าก็กราบในมรดกายนะคะไม่กายไม่เท่าจํานวนพระอรหันต์แล้วก็กราบท่านบนตัก ขอบา ร, รมีสมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยเห็นภาพคุณลุงเคยเกิดในสมัยสมเด็จพระพุทธกษตรมีชีวิตอยู่บ้างไหมคะขอดูภาพนี่ครับเคยเกิดป่ะคะเคยครับเห็ภาพไหมไหมคะเห็นครับคุณลุงเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับผู้ชายครับผู้ชายแต่งตัวยังไงคะแต่งตัวเทวดาแต่นตัวเทวดาครับเป็นคนหรือเป็นเทวดา เป็นเทวดาครับอ๋อตอนสมัยนั้นนะฮะเป็นเทวดาครับตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพรนามว่าพระพุทธกสุกําลังประสาทประสาสนาคือสมัยนั้นพระองค์มีพระวรกายเป็นมนุษย์นะคะคุณลุงเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นคนเดี๋ยวขอหนูใหแน่ๆก่อนโอ้เป็นคนครับเป็นคนแปลว่าแต่งตัวสวยเหมือนเทวดาครับครับอะไรรูปร่างเหมือนเทวดาใช่ไหมคะครับอ่าถ้าแต่งตัวสวยเหมือนเทวดานี่คงไม่ใช่คนธรรมดาสามัญนะมั้ง ไม่ใช่ครับเป็เจ้าเป็นเจ้าหรือเป็นลูกเจ้าอืมเป็นลูกเจ้าเป็นลูกเจ้านะครับเออลูกเจ้าเลยที่นี่คือเป็นลูกเจ้าไป็ลูกเจ้าเป็นดินใช่ไหมคะใช่ครับแล้วพระเจ้าเป็นดินองค์นั้นขอดูดูภาพสิคะข้าเป็นใครค่ะโอ้เป็นราชการที่ห้าครับเป็นราชการที่ห้าเหรอคะครับ คือเป็นรัชการที่ห้าปัจจุบันไอ้สมัยรัชนาลกสินใช่ไหมคะใช่ครับแล้วขอดูภาพที่เขาว่ารัชกาลที่ห้าในสมัยกรุงรัชนาลกูสินเนี่ยความจริงและเวลานี้ท่านคือใครขอให้ภาพปรากฏชัดๆจากภาพพระพุทธเจ้าท่านก่อนขอดูภาพเป็นเทวดาอีกหละเป็นตัวแบบเทวดาเลยอเปล่าใช่สวยขนาดไหนเทวดาทรงหรือว่านิพพานเทวดานิพพานครับ ทีนิพานนะคะครับและความรู้สึกก็เป็นไครเวลานี้แสดงว่ารัชกาลที่ห้านี่ท่านมีกําลังใจเข้าถึงพระนิพานใช่ไหมคะใช่ครับแล้วดูซิว่าร่างกายของท่านเวลาเนี้ยคุณลุงพอจะรู้จักบ้างไหมคะขอให้ภาพปรากฏสิคะอ๋อภาพปรากฏสวยเป็นอันว่าภาพของรัชกาลที่ห้าในสมัยนั้นเวลานี้ท่านเป็นใครขอใดูภาพ ั ด, ดเป็นหลวงพ่อครับเป็นหลวงพ่อแต่งตัวแบบพระสงฆ์เหรอคะครับอ่าตองเย็นนะเยมนครับถามว่าที่ลูกเห็นภาพอย่างเนี้ยถูกตั้งไหมขอองค์สมเด็จพระผู้มีประภาพเจ้าด้วยทรงโปรดสรงเคาะครับกรอง ถูกครับท่านยกมือถูกท่านยกมือนะคะคดีใจไหมคะดีใจครับในสมัยพระพุทธกัจจุปคุณลุงก็เป็นลูกของพระเจ้าเป็นดินนะคะคราวนั้นปกครองประเทศเล็กหรือปกครองประเทศใหญ่ประเทศใหญ่ครับคุณลุงเป็นลูกอ่ะคะครับเป็นลูกนะคะหลวงพ่อท่านเป็นพระเจ้าเป็นดินในสมัยนั้นท่าปู่ท่านย่าเกิดด้วยหรือเปล่าคะท่านปู่ท่านย่าเกิดในสมัยยุยยุยยด้วยนะคะและสมัยนั้นเคยพบพระพุทธเจ้าไหมคะ พ่อครับพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดตั้งกระเป๋าหรือไม่คะหรืภาพเลยมาครับมานะพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดในสมัยที่เป็นมนุษย์นะค ะ, คะเคยฟังเทพกันเยอะไหมยเยอะครับเยอะนะเออแล้วท่านแม่เกิดด้วยเปล่าคะเกิดครับง่ายๆก็เป็นแต่ตัวเป็นไงแต่งสวยนะ สวยครับสวนะดูภาพนะอันนี้เป็นการย้อนหลังนะคะครกราบน้มัสการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสําหรับพระพุทธเจ้าองค์นี้พระองค์เคยเกิดเป็นพ่อของหลวงพ่อเหมือนกันนะคะครเราเป็นลูกหลวงพ่อเราก็อาจจะเรียกท่านว่าสมเด็จปู่ใช่ครับ น, นะคะครั บ, รบดีใจที่มีปู่เป็นพระพุทธเจ้าด้วยดีใจครับดีใจนะก็กราบน้ำมัสการขอพรท่านนะคะคแล้วพระองค์ เออจะทรงพระเมตตาให้พรให้เราให้มีความปรารถนาสมหวังนะคะ่ <Yeah. S 1> จากท่านกาศท่านข้อท่านแม่ท่านปู่ท่านย่านะคะรากท <Yeah. S 1> หรทั่วทั่วไปนะคะทั้งหมดเลยต่อไปจากวิมานพระพุทธคสดเราจะมุ่งไปวิมานพระพุทธเจ้าองค์อื่นนะคะแต่ว่าเทศมันหมดหน้านะคะเดี๋ยวขอเวลาเปลี่ยนหน้าเทศสักหน่อยนะคะคุณลุง <Yeah. S 1> สบายสบายแล้วก่อนนะคะครับ yeah.